ก็จะูจะบอกไม่ใช่สอนให้รู้บอกให้ทำถ้าสอนให้รู้เราก็รู้มาแล้วผ่านในร่วมหาวิลลยมาแล้ว เรื่ว่าสุขว่าทุกข์ผิดถูกยางไงแต่ความรู้จังทำผิดยังทำทุกข์ังให้โกรธให้หลงอยู่เราจองมาหัดเรียกว่ากรรมาฐานเหมือนเราจะเดินทางไปไหนต้องมีแผนที่เดินไปต้องมีวิญาที่เดินที่จะถึงจุดหมายปลายทาง การเดินทางก็คือการกระทำเป็นกรรมฐานด้วยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอะไรก็ตามหรือ ว, ว่าบ้านเรือนสกปกต้องเช็ดต้องถูเหยื่อที่เช็ดถูเป็นกรรมฐานการผลงานของการเช็ดถูมันจะอาดขึ้นหรือ ว, ว่าวิปัสสนามันดีกว่าเก่า เรามาศึกษาเรื่องชีวิตของเราเรื่องกายเรื่องใจกาย <c oughs> ใจของเรานี้ก็มีสูตรด้วยกรรมฐ า, า น, ตนต้นโตของกรรมฐ า, านทั้งหลายปรอยู่ที่กายที่ใจเราพระเจ้าจึงวางสูตรไว้ให้ดังที่หลวงตาได้พูดเมื่อวานนี้ในเรื่อง แผนที่แล้วก็สวดพระสูตรทํามจักกัปะปบัตรสูตร <c oughs> บอกทางทางสุดตรงทางตรันทางถึงจุดหมายปลายทางเราจึงในแผนที่เอาไว้ ่าเช่นเราเดินทางไปไหนมาไหนประเทศใดบ้านใดเมืองใดก็ต้องมีแผนที่ที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในชีวิตของเราก็เช่นกันในกายก็มีแผนที่ของกายถ้าไม่ถูกก็ไปไม่ถึงถว่าถึงคือมัน มันมันเห็นแล้วพบเห็นแล้วไม่ใช่คิดเห็น้ถาถึงแล้วที่ว่าพบเห็นอย่างไปพบเห็นเขาสีปทะดูจากแต่ว่าเป็นเขาสีปทะอยู่ที่ประเทศทีรังกาโสงที่จุด เรามองเห็นเฉยๆยังไม่ได้พบเห็นมันก็เพียงแต่คิดเห็นเราไปสัมผัสกับเขาสิบัทถะจนได้จนได้บอกว่าอะไรอะไรก็เป็นเรื่องเล็กเกี่ยวกับกายที่เดินทางที่สูงที่สุด เรื่องของกายที่เดินทางที่สูงที่สุดแต่ทาการเดินทางอันอื่นต่อไปก็เป็นเรื่องเล็กเสียแล้วถ้าไปถึงเขาสิปะทะอะไรเป็นเรื่องเล็กทั้งหมดนี่คือถึงจุดหมายปลายทางก้ <c oughs> <c oughs> อนเมฆอยู่วใต้มองไปข้างล่างเห็นก้อนเมฆอยู่ข้างล่างนู่น คนว่ใครพาไปก็จะไม่ได้อาจารย์ตุ้มบ้างหรือใคร <c oughs> อาจารย์ตุ้มจาร์โนดก้นหมูด้วยแต่การขนาดที่เดินขึ้นเขาจิปัทะานี่เราอายุมากกว่าหมูคนที่มีอายุน้อยกว่าเราก็ไม่ บางทีเราก็รอกันบาทีเราก็เดินขึ้นไปคนที่มีอายุน้อยก็ถึงแล้วถึงก่อนเราแล้วเราอายุไม่อายุยังไม่น้อยก็เดิ น, นช้าหมดแรงต้องพักไปเวลาเราเดินวายขึ้นเขาวาเราขึ้นสูงกว่าคนที่ อ่อนแอคนเราก็มีอายุน้อยก็อ่อนแอ <c oughs> แล้วก็รอคอยนั่งรอให้กำลังใจเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคิดว่าจะถึงหรือไม่ถึงไม่ต้องไปคิดเราเดินไปเรื่อยๆแต่ละก้าวก้าวของเราทุกก้าวนี่แหละมันจะพาให้ถึง ไม่ใช่ความคิดควงมเหนื่อยความยากควมง่ายมันเกิดจากก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งถ้ามีก้าวหนึ่งไปข้างหน้าอันนี้เลยว่าเป็นกรรมฐานต้องถึงแน่นอนถ้าไม่มีก้าวก็ไม่ถึงอย่าไปคิดเราพูดไปแล้วก็นั่งอยู่เขาก็ไปถึงเรานั่งอยู่ข้างสูงเขาก็นั่งด้วย ถ้าชวนกันนั่งอยู่ก็ไปไม่ถึงก็เป็นคนชวนขเขาไยเดินอีกสักหน่อยอยขึ้นไป <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ใช่มาอยู่ที่เก่าแล้วโสงขึ้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป <c oughs> อยอถึงสูงถึงค้อนเมฆมันไม่ใช่เหมือนเดิม มันไม่เหมือนตีขึ้นัรงแรกมันเบาขึ้นไม่มีน้ำหนักไม่มีความน่่ยละเบาแล้วก็เบาขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงยอดเขาสีปะทะได้นั่งแนสสมผัสอยู่ ก็ต่างกับเราากที่เราเดินขึ้นมาถึงที่สูงเราสุดยอดเราไปอีกไม่ได้แล้วนี่คือยอดเขาจิตปะะัะฐ์มีใครเคยไปบ้างไหมไหมอันเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กเสียแล้วการเดินขึ้นที่สูงโดยเขาก็ดึงก็เคยเดินขึ้นแต่ไม่ถึง สุดหน่อยใจเท่ากับสีปัทะนะแล้วก็ว้ใช่หกชั่วโมงห้าชั่วโมงวันหนึ่งวอดีตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสามไปสี่เดินขึ้นเขากลับลงมาก็สองสามทุ่มแล้วก็ยังมีร่องรอยอยู่ กาปรปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอยามีผิดไม่ถูกเอาผิดเอาถูกเอาสุขเอาทุกข์เอาได้เอาเสียไม่ไม่ใช่เรื่องการเดินการเดินจริงๆคือการเห็นเห็นกายกายมันชวนให้เป็นไม่ดีก็เหนื่อยไม่ละ มันหรือเปล่าเราเสร็จแล้วไปกับการเหนื่อยเห็นมันเหนื่อยไปแล้วเห็นมันสุขไปแล้วเห็นมันทุกข์ไปแล้วถ้าเป็นผู้เหนื่อยเป็นผู้ยากเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกหยุดเสร็จแล้วถ้าเห็นเราไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยการเก่าเห็นแล้วเห็นอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยบอกไว้ ว่ากายสภาวะกายเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เป็นการเป็นทางไปแล้วถ้าไปจบตันแล้วถ้าไปทุกข์ก็ตันเฉยแล้วไม่ไม่ไม่ถึงตัวรู้ไปเป็นจบไปเป็นทุกข์สุดตรงไปทางหนึ่งได้เห็นมันจบเห็นมันทุกข์เห็นมันผิดเห็นมันถูกนั่นแหละเป็นทางไปแล้วจนเห็น แล้วเห็นอีกสิ่งไหนที่เกิดกับกายเป็นสูตรของเขารู้กายคือรู้ว่ากายสักว่ากายเห็นกายสัพพะกายไม่ใช่จัดอุปกรณ์ตัวตนของเขานี่หรืว่าทางถ้าเห็นเป็นตัวเป็นตนตผิดทางต่างไปสู่มรรคส่ผลต้องไปแบบนี้ถ้าเป็นสุขหรือว่าผิดเสียแล้วผิดทางไป เป็นทุกข์ก็ผิดทางเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นผู้ยากเป็นผู้ง่ายทำได้ทำไม่ได้ตอนนั้นว่าทางผิดทางไปแล้วในความง่ายในความได้มันก็เห็นนั่นมันอยู่ด้วยกันทางผิดทางถูกไม่ใช่เหมือนเผนที่เราไปตามอ่า ลูกศรเขามันก็ถูกถ้าไปทวนลูกศรเขาก็ผิดเหมือนเราไปเที่ยววัดด่งของคิดศาสนาไหนวัดตั้นกระจุ่ภาพเคยไปไปหมวัดตั้นในวัดใหญ่ๆของคิดศาสนาใหญ่มากอาจจะเท่าบริเวณวัดโซโกโตก็ได้แต่เขาทำลูกสอนว้ ถ้าไปทวนลูกศอนก็หลงอยู่ในนั้นเข้าทางเดียวออกทางเดียวกเ็ววเดินตามสอนเข้าไปถ้าสอนบอกไปทางไหนก็เดินไปทางนั้นไม่ผิดออกได้ถ้าทวนศอนเขาก็ออกไปได้หลงอยู่ในนั้นนี่เลยว่ามันผิดมันถูกอยู่ในความผิดมันก็อยู่กับลูกศอนในความถูกมันก็อยู่กับลูกศอนของเขา ไม่ใช่เอาลูกศอนเป็นเป็นตัวผิดตัวถูกแต่ไปทางเขาไม่บอกก็ผิดเพราะเราเองไม่เช่เาวลูกศอนเป็นการผิดมันผิดที่การกระทํำของเรากายของเราก็เหมือนกันถ้าเห็นมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายนี้นะอหลังที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย บางครั้งเราผ่านไปแล้วเห็นว่าอะไรเกิดกับกายมันก็อมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นจักแต่ว่าเห็นเป็นสุขเป็นทุกข์ก็สักแต่ว่าถ้าเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ก็ไปใช่เห็นแล้วไปเป็นแล้วง่ายง่ายจุดนี้จุดง่ายง่าั้นเราเห็นลูกศรทีชื่ เจ้าเจ้าก่อขี้ไ้ให้ลูกสรเหมือนพระพุทธเจ้าเั่นพระธรรมคาสอนเวทนาสกเวทนาว่าใช่สัตว์ปุกลตัวตอนเราเขาจิตก็า ก, กวเวจิตลูกสรนขี้ไปทางนั้นจะเอาจิตมาเป็นตัวเป็นตนจิงใดที่เกิดกับจิตความคิดเป็นเครื่องอารมณ์ต่าง ถ้าถ้าเป็นแล้วก็มันก็ไปผิดเป็นไปอีกหลายอย่างตาเห็นก็จบแค่นั้นผ่านทางผิดไปแล้วเห็นแล้วแต่ว่าจิตไม่ใช่จัดอุกคลตัวตนเราเขาอย่างเนี้ยเห็นทำเพื่ออารมณ์ที่มาย่อมใจมีเหมือนกันแต่เดินใจมันก็ไม่มีอารมณ์ดอกมันจอดมาที่หลังเหมือนผ้าขาวสะอาด สภาวะสอดห่องใสาอารมณ์ันจรมาทำให้เปิดเพื่อนเป็นอารมณ์ความง่งหงาหอยนอนความรังเลืสงสยัยความคิดพุ่งเสานอารมณ์ไี้เกิดจากหลายหลายอย่างกิริลมพอใจอันนี้เถลมไม่พอใจวันนี้มันมาที่หลังอากันตุกะมันมาจรมา มันเคยบางทีมันก็เคยมานานเคยกินมานานจนเป็นนิสยัยราคาจรหิตอาจจะมาบ่อยหรือว่าการมาราคาตาัวสจริตอาจจะมาบ่อยเขาเคยเขาเคยเดินมาเราก็ต้อนรับเขาโมหจะจรหิดอันหลงก็ออกหน้าออกตาเห็นอะไรก็ความหลงออกหน้าออกตา ให้ความหลงพาไปว่าโลโมห่หอจะิลุบางที่เห <c oughs> มือนกับเหมือนกเหมือนกที่โชงสมของโจนผู้ไร่ก็ได้ในจิตใจของเรานะเน่ยเราต้อนรับเขาคำว่าทมสักว่าทำคือบอกคืนแล้วบอกกับ บอกกวติเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านกายเวทนาจิตทรรมเป็นบ้านเศรนี้เป็นเจ้าของบ้านแต่ก่อนมันเป็นเถื่อนกายก็เถื่อนเวทนาก็เถื่อนจิตก็เถื่อนใจก็เถื่อนสมโสน เป็นไปอะไรก็ได้ไปตามกายที่อาการเกิดขึ้นแปลวว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายหรือว่า ส, สัมสนเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาให้ความสุขความทุกข์เป็นตัวเป็นตนตามตามเขาสัมสอนจิตที่มันคิดใดก็สัมสอนคิดได้ทุกอย่างาความรักความชัง เมื่อ <c oughs> มันเกิดขึ้นก็ทาตามความรักความชังเรื่องสัมสอนใช่ไม่ถูกผิดพลาดก็มีตรงร้อยความดีนี่มันสําสอนมันป่าเทือนโสภณีกายโสภณีเบทนาโสภณีจิตโสภณีธรรมอารมณ์ บัดนี้สติเป็นเจ้าของเห็นกายสภาวะกายมีอำนาจถ้าเห็นกายเป็นตัวเป็นตนหมดสภาพหมดสภาพลงหมดค่ารับใช้ไปก็เอะ ไ, ไปไม่ถึงไหนโซ่ไม่แ้กคญแจ่ไม่ขายยังติดหลักอยู่ ไม่ผ่านนี่จเนเห็นแล้วเห็นอีกในเรื่องสี่อย่างนี้เห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยพูดแล้วพูดอีกมันบอกเราไม่สนุกมากมากนะไม่ใช่เรื่องยากนะมันสนุกบรรผานได้จริงๆกับการกระทําของเราจริงๆงั้นเราทำลายสําเร็จ มันก็เป็นผลที่ทำให้เราไม่เหลี่ยมไหวตัวเองได้บ้างถ้าทำไม่สำเร็จก็ไม่มีอะไรที่จะมองตนได้ว่าเป็นวิปัจฉนาพ้นอะไรบ้างร่วมค้นอะไรมาให้เราเลิกจุ บ, บุรีได้ร่วงพ้นบุรี แล้ก็ร่ามวคมจอยเราไปสูบลองดูเห็นมันก็ยังมีความคิดที่สัญญาจำได้กินบุหรีก็คิดอยากสูบเลอกใหม่ๆพอไปสูบมันก็เหม็นติดปากแปลงฟันตลอดหวันก็ยังเหม็นอยู่ เพราะมันไม่มีนิโคตีนมันหมดไปสัมผัส ด, ดูแล้วแต่ก่อนมันหอมพอมันจิจูดที่เรามันเหม็นอย่แล้วแปลงฟันแล้วแปลงฟันอีกเคยเคยเคยไม่กินเนื้อไม่กินหัดกินมังสวิรัติวมันจนกอกก็กินพอกินแล้วก็ มันก็ข่าวนะข่าวต้องแปลงปันทุกวันมันจนกรอบถ้าจะทำมันทำไ่ได้มันก็จนกรอบไม่มีอะไรกินหลายครั้งที่จนกรอบเพราะมันมันไม่ได้เตรียมพร้อม หนักใหม่ๆต้องเตรียมพร้อมจนกอกหลายครัง้งม่ถือปัจจัยเป็นทางมาจากสันบุรีของจังหวัดชัยนาธเจ้จก็ส่งข้ารถมาต่อรถมาต่อรถมาต่อรถไป แล้วก็ส่งมาไม่ถึงไหนต่อไม่ได้คนที่ต่อให้ก็ไม่มีเส็แล้วจำเป็นเราต้องรถไฟก็ก็คนที่ชื่อถัวให้เขาก็รอไม่ได้เอาเลยเอาฮะหอยจุปกวนไม่มี ใครก็ไม่มีไม่รับไม่มีเวลาเขายังไม่เปิดจองตัว๋วเขาจะรีบไปทางอื่นไม่ใครก็ไม่มีใครรับรถไปก็ยังไม่เปิดตู้ขายห้องขายตั๋วยังไม่เปิดคนที่มาส่งก็ด่วนกับไปที่ตำนานที่อื่นกลัวจะไม่ทันเวลาทําไงดีทําไงทําไมดีมดมดแก่เมืงง่อไงหลวงพ่อทําไงหลวงพ่อ ทำไงตอนเนีเ้เราจะทำยงไงจะนอนในสถานีรถไฟเหรือก็ไม่หมาะเอามาใส่ย่ามนี่ก็เอาปัจจัยมาใส่ย่ามก็ถึงย่ามไปเวลาไปจองตั๋วรถไฟก็เอาย่ามให้เขาสองก็ไม่จับแล้วก็มาค้นเอาย่ามเอาซองไป ก็ใช่แบบนั้นมานานดังไปภาคใต้ไหนเขาเชื่อคาดนะจะไปเถือเงินอย่างนี้ไม่ได้เอาซงยืดไปเขาซื้อตั๋วก็ใส่ซองก็จะทอนขึ้นมาใส่ซองให้นี่ก็จนเหมือนกันแต่นั่นถ้าอะไรที่ทําไม่ทําได้แล้วบางทีไปทําใหม่มันก็รับไม่ได้เช่นความหลงรับไม่ได้เด็ดขาด มันไม่หลงความทุกข์รับไม่ได้เด็ดขาดจะข่มขืนยังไงก็ทำไม่ได้ไม่เอาเด็ดขาดอะไราจริลีดตะเก او ต่เดิมโธ่ใจริหลีดลาค้าจริลดโมหิจริลดทำไม่ได้เด็ดขาดมันไม่ชินเส่นแล้วมันคก็มันม น, นัน เดีย๋ยวว่าผมอาจารย์ศาตรแล้วเมืันเราโตขึ้นแล้วไม่เป็นเด็กแต่ก่อนเป็นเด็กเห็นขี้โคนลงไปเรื่อนสนุกอยอกลุยขี้โคลนีปที่หนึ่งไปปลูกป่าไปปลูกตน้นไม้ที่เขื่อนป่าน้ําล้นว่านท่าไฟหวานไปฉันเพลงที่หน้าเขื่อน ฝนตกตกมาก่อนมันมีน้ำขังอยู่มีบวกน้ำมีเด็กน้อยไปด้วยพ่อแม่พาไปเด็กน้อยก็หลุดมือจากแม่วิ่งไปเล่นขี้โคลนแม่วิ่งตามมาทันแล้วก็โดดลงไปในบวกน้ำเล่นขี้โคลน แม่จะลงไปก็ไม่ได้มันเล่นขี้โคลนเปื้อนขึ้นมาหมดต้องปล่อยให้มันเล่นขี้โคลนให้คนอื้อไว้จับขึ้นมาต้องโยงแขนเข้าว่าไปล้างเอามันก็ชอบเดี๋ยวนี้เราเป็นโตแล้วจะให้กระโดดลงไปเกี่ยวกขี้โคลนเหมือนเก่ามาแม่มอ๋อแล้วแต่ก่อนเห็นขี้โคลนอยากปลุยเป็นเด็กท่องทุง่ง แม่อุ้มไปบางคนก็รื้อลงไปต้องไปเกียกขี้โกนเดี๋ยวนี้มันก็มาเกลียกเรามันโตแล้วเปนความหลงความอะมันมันต่างเก่าจะให้เป็นสุขกับกายเทุกข์กับกายไม่เอาแล้วให้เป็นสุขกับเวทนาเป็นทุกข์กับเวทนาได้เกิดความคิดเด่ตนตัณหาเกิดขึ้นกับจิตกับใจมันไม่เอาอีกแล้ว มันบริสุทธิ์แล้วอเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นนามมายิ่งซ้ำเติมเข้าไปล่างบางเข้าไปแต่ก่อนเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาพอเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นรูปทำตามทำตามธรรมชาติตามธรรมชาติเห็นเป็นอาการไม่ใช่เวทนาไม่ต้องเรียกเวทนาเลย เรียกว่าอาการนิดหน่อยแต่ก่อนเวทนาเจ็บปวดมากสุกก็เป็นสุกมากมากหลงไปทุ ก, ก็ทุกปังมากพอเห็นเป็นอาการแล้วนิดหน่อยน้อยน้อยไม่มีค่าเลยแต่ก่อนไม่ค่าต้องอดต้องทนเราโก่ต้องอดต้องทนเวลาทุ ก, ก็ต้องทนเรา เวลาเจ็บปวดก็ทนเอาและหิวข้าวก็ทนเอากระทบกระทือนไปหมดเลยเวลาหิวข้าวใจก็เบาบางกอนหิวข้าวหลังใจเบาบางใจสัน่นรานนั้นถ้าเห็นเป็นอาการแทนที่จะใจสัน่นเกิดเป็นขวงภูมิจอย เห็นปัญหาการโอ้ยขอบกุนมันมันหิมันความถูกต้องของเข า, เ ป, า, า, าเป็นอาการที่เกิดกับกายเห็นความโกรธความลบความหลงเป็นอาการไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความโกรธที่เกิดกับใจแล้วก็ร่างบางไปร่างบางไปงเห็นลูกทุกนามทุก แล้วก็เห็นเข้าไปสงสารแล้วบานน่ะสงสารตัวเองเป็นไม่เคยช่วยเหลือกายใจป่าเถื่อนมากที่สุดพอไปเห็นจบเหอนลูกทุกหนามทุกก็ตื่นเหลือล้นอันความทุกข์คิดว่าความทุกข์ก็ตื่นเหลือล้นชื่นใจได้เห็นได้เปลี่ยนทุกเป็นตัวรู้นะมม่มีอะไรที่จะพอออพอใจเป็นงานที่ทําได้ ยอดเยี่ยมเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกเป็นรู้เปลี่ยนอะไรเป็นตัวรู้ทั้งหมดเป็นเป็นงานงานชอบที่ส่วนเลยนี่คือการงานชอบอย่างที่สวดเมื่อกี้นี่เมื่อใดบุคคลเหตด้วยปัญญาว่ารูปนามเป็นทุกข์หรือว่าสังขารคือรูปนามแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องว่ารูปนามเป็นทุก สังขารเป็นทุกข์สังขารคือร่างกายจิตใจน่ยเยมื่อน้อ ย, ย่อมหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงของพ่อคงพาสวดนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานชื่นใจเห็นทุก ข, กเเขกเ์เห็นของกิงอันประเสฐอดิจิศสัตร์ของกิงอ่าประเสือดเห็นของกิงอย่างประเสริฐที่เห็นเนี่ยเห็นทุกขนะ์เห็นความไม่เที่ยง เป็นของจริงอย่างประเสริฐเห็นความทุกข์เป็นของจริงอย่างประเสริฐเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นของจริงอันประเสริฐนั้นมันเป็นปัญญายอดเยี่ยมมากปัญญาที่จะมหาจิญเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาธรรมดาปัญญาที่เกิดจากสังขารเนี่ยรอบรู้ตัวเนี่ยมันเป็นปัญญาพุท ธ, ธะศีลรักษากายวาจาเรียบร้อย สมาธิคือจิตใจมั่นของปัญญารอบรู้เนี่ยของสังขารไม่ใช่รู้นอกกายนอกใจนอกโูกนอกนามไปได้ตำดาตรงไหนมันก็เห็นอะไรบวชลงสรูปหลงได้เป็นทิศสดีที่ยอดเยี่ยมมากเหตุบนหลงเหตุันรลู้มันไม่ต้องระหาที่ใด พร้อมกันมานั้นโหลตรงไหนรู้ตรงนั้นง่ายง่ายอันหลงตรงไหนหลงตรงนั้นยากมากไปไกลเหลือเกินอันทุกตรงไหนรูตรงนั้นง่ายง่ายไม่ได้ไปแก้แต่ก่อนต้องแก้แก้โดยทางอื่น <c oughs> <c oughs> ถ้าอันทุกข์ก็หาจิ้นเล่าทเที่ยวเตะเล่น้อนโต้หนังฟังเพลงนั่นไม่ใช่ เหตุเกิดที่ใดแค่ที่นั้นมันหลงก็แค่ที่หลงนั้นเหตุเจตมาเหตุตุปภาวะเจสังเหตุตรุถถาคตโตเจฉันจวบุโลโทจาเอวังวาธีมหาสมโนนี่ขอพูดหลักฐานถ้าไม่พูดหลักฐานหาว่าพูดตัวเองอ้างเองพิสูตรถ้าพูดหลักธรรม พูดให้ฟังก็จริงเหตุเกิดที่ใดดับที่นั้นพระพุทธเจ้าพระจัตรพรรดสอนอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เลยอาสาบาลีมันง่ายง่างานไม่ง่ายเหมือนเห็บมันกัดมันเจ็บปวดท้องเอาเห็บออก ขอรภัยนะชาวหนังที่มาอยู่นี่มีมีโยมตา้็ค่อยดีเห็บกัดลูกกระปองบวมเท่าเนี่ยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรนะเดินกก น, นี่กระกัดไปขอภัยนะของกินของกินตั้งแต่สมัยก่อนเห็บมันกัด ไม่ค่อยรล้นะแล้วก็เก็บเหมือนกับฝีเดินไม่ได้ก็เก็บนมามามาดูก่อนนะเราก็ชิ่นได้ไม่ใช่เห็บกัดเลยให้รู้เก็บามาเปิดตัวเห็บตัวเท่าเนี่ยจากตัวเล็กเกมันกินอยู่นั่นหลายวันจนเท่าหัวไม่เหมือน มันบวมกันว่าจะบ่งฟีมันเป็นฝีจะบ่งออกได้หไหมมันเป็นหัวคำเห็นแต่ตาดูไม่เห็นตาไม่ค่อยดีลราไปดูแล้วก่อนเป็นเห็บตัวเท่าไหรเห็บนี่ดึงออกใช้ไหมไปดึงออกไปดึงออกไม่ได้แต่เรามาลูกก็รีบดึงออกตุ๊บทันทีเลย เลือดเต็มไปหมดแล้วทีนี่ฟันของเขี่ยวของเห็บเนี่ยมันติดอยู่ในเนื้อหนังนี่หลวงตาเคยเคยอยู่ที่เนี่ยเห็บมันกัดอยู่ผู้หลงก็เป็นตุ่มขึ้นมาไม่ใช่ตุ่มเช่แล้วมันเป็นเห็บเอามือค้ำเห็นมันก็เจ็บมันบวมขึ้นแดงหมดบา่าแล้ว นั่งรถไปกับหลวงพ่อกำจิงไปขอนแก่นนั่งรถไปด้วยกันมันปวดปันเก็บหลวงพ่อผมเป็นฝีมันน่าจะบ่งออกได้นะหัวมันหัวมันโตโตแล้วนะดูให้หน่อยเอามือคขำตาไม่เห็นดูวงออกให้หลวงพ่อกำจิงดูโอ้ยไม่ใช่ฝีเห็บมันกัดแล้วก็หลวงพ่อก็ดึงออก หัวโตเนี่ยแล้วฝันมาอยู่ไหนเนี่ยมันก็เลื่อหลังเกิดเที่ยววันที่เห็บอยู่ในเนื้อหนังมันจะมีพิษอยู่นานแล้วก็เป่วยแล้วป่วยคันขึ้นมาแล้วก็เป่วยแผลก็หายไปเอาคันขึ้นหม่เปื่อยอีกหายไปจนเที่ยวบนหลุดออกมาจึงหายบท น, นี้ก็ได้วิชาต่อเห็บเปิด เบอกไปนะเอาเอายาม่องไปถาให้มันคายของมันเลอเขี้ยวอะไรเงี้ยมันจะคายออกคายออกแล้วถ้าไปดึงมันขาดครับให้ฟันมันคายออกคายออกให้มันถอนตัวก่อนให้มันหลุดออกแรงอย่างนี้ไม่มีอะไรถ้าเห็บกัดนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเห็บในป่าเราไม่มีแล้วผู้หลงก็น้อยแล้วไปไม่เหตุมันเกิดอยู่ที่นี่เอาที่นี่ ทุกอยู่เท่าไหนมันล่ะเหตุมันอยู่ตรงาไหรเปลี่ยนทุกเป็นผู้รู้เป็นอันรู้ไปเลยง่ายง่ายไม่ต้องหาไม่ต้องมาค้นจำลอมันมีอยู่ในนี้แล้วนี่คือเหตุเกิดจุใดอยู่ที่นั้นเห็นของจริงอันประเสริฐเห็นหลงเห็นถูกเห็นทุกข์หาวมันเปลี่ยนได้กับมือแท้ มันหลงรู้มันทุกข์รู้ง่ายง่ายมันบอกหลงความเทศมันบอกความจริงมันบอกเหมือนกับผู้เจ้าบอกลูกสอนเป็นผู้ทเจ้าไปทางนี้จะไปทางนี้เห็นกายวักกายเวทนาสักรเวทนาจิตสวิจิตธรรมสวกธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรม เห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่เที่ยงอันชื่อเวทนาหรอไม่เที่ยงตั้งนั้นตามที่เราสวดรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจัญยาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเวทนาอรุกายรูปม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตน อัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดเป็นความมาเที่ยงสิ่ง้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ไม่ควรถือว่าตัวเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราใครก็ได้ยินมาแต่มันไม่เห็นว่ามาเป็นกรรมฐานมันเห็นเข้าไปนะมันเห็นเข้าไปอย่างน้ไง นี่กรรมฐานเข้าสู่วิปัสสนามันรู้แจ้งไม่สงสัยความหลงเป็นยังไงความรู้เป็นไงความทุกข์เป็นไงความรู้สึกตัวเป็นไงความโกรธเป็นไงความรู้สึกตัวเป็นไงทำมันเป็นยไงกุศลและธรรมอกุศลมเป็นยังไงตาข้าจิตเป็นไงโธจิตีเป็นไงโมหะจริตเป็นไง ดูจบสองพาดตพุทธจริตเป็นยังไงตื่นไหมถ้าหน้าที่จะตื่นนะเวลามันหลงตื่นอย่าหลับตรงนั้นส ต, ติมันจะตื่นตรงนั้นล้วมันทุกตื่นเลามันโกรธตื่นนั่นมามีตรงนั้นสตนิงอกงามท่าชมนั้นไม่ใช่งอกงามด้วยการรูปคำมันเช่นแขนรุการที่มันอ่อนแอ มันถูกตรงที่มันผิดเรียกว่าตรงปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรทำอะไรแล้วมันหลงผู้แล้วสมควรแล้วเรียกว่าผู้ใดปฏิบัติดีอย่างเนี้ยปฏิบัติต่ะปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรเนี่ยพระสมพระสงคือนับบุรุษจีบุรุษนับแปดบุรุษได้แปดคน คู่สีคู่คือปฏิบัติดีสวดตัวเองสวดได้ไหมเราก็สวดทุกวันได้ไหมว <c oughs> ่าวเองสอนตัวเราเองตรงไหมปฏิบัติ ด, ดีไหมแล้วมันหลงเหรอทำยังไงดีไหมตรงไหมออกได้ไหมสมควรเราหรือยงวางล้าหรือยง ผ่านแล้วอย่างขึ้นสู่เขาชิมทะแล้วอย่ามาคุยโวดนะ <laughs> <laughs> <laughs> เอวังก็มีร่งประการชนิด